พุทธธรรมจะบับรับขยายชีวิตควรให้เป็นอย่างไรบทที่สิบบทสรุปเรื่องเกี่ยวกับนิพพานลักษณะพิเศษปัญหาและจุดที่มักเข้าใจผิดสมเด็จพระพุทธโคสาจารย์ปออประยุตโตจากต้นฉบับพิมพ์ครั้งที่ห5ิบห้าอ่านโดยอริยคุณชมรมพลดีเนื้อหาหลักภายในประกอบด้วยคุณค่าและลักษณะพิเศษที่พึงสังเกตเกี่ยวกับนิพพาน 1จุดหมายสูงสุดของชีวิตเป็นสิ่งที่อาจบรรลุได้ในชาตินี้ 2. นิพพานเป็นจุดหมายที่ทุกคนเข้าถึงได้ไม่จากัดชาติชั้นหญิงชาย 3. ามนิพพานอํานวยผลที่ยิ่งกว่าลําพังความสําเร็จทางจิตคือทางสมาธิหรือฌานสมาบัติจะให้ได้จุดที่มักเข้าใจพลาดเกี่ยวกับนิพพานหนึความยึดมั่นในความไม่ยึดมั่น 2. ลักษณะที่ชวนให้สับสนหรือหลงเข้าใจผิด 3. ความสุขกับความพร้อมที่จะมีความสุขปัญหาเกี่ยวกับนิพพาน 1. นิพพานกับอัตตา 2. พระอระหันต์สิ้นชีวิตแล้วเป็นอย่างไรสำหรับการฟังใน YouTube กดที่เลขเวลาเพื่อเลือกฟังแต่ละหัวข้อในรายละเอียดด้านล่างได้เลยนะครับ และเพื่อความเข้าใจที่ถูกต้องครบถ้วนแนะนําให้ฟังตั้งแต่บทเริ่มต้นพุทธธรรมก่อนฟังขึ้นไปตามลําดับจะดีที่สุดนะครับจัดทําเพื่อเป็นธรรมทานโดยเจ้าภาพหลักครอบครัวสินทวัตรสุมเมศคุมวงศ์เจ้าภาพรองพิทยาหอมบักครอบครัวอิมวงศรียานินเวียงเกศวิชยาดามุ่งมิชาอารุณลีลครานนท์ร่วมกับอีกหลายท่านฟังได้สุดท้ายเรื่องนะครับขอทุกท่านร่วมอนุโมทนาสัภะทานังธรรมทานังชินาติ การให้ธรรมะชนะการให้ทั้งปวง